เพือพากันตั้งใจทำรวมใจของตนให้ดีใจนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่มีใจดวงนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าทุกอย่างมีเหมือนไม่มีเพราะว่าไม่มีใครสมมุติขึ้น เะื่อมีใจดวงนี้ได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วมันยังได้สมมุติสิ่งต่างๆขึ้นมาในโลกนี้แต่คันสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาหลงสมมุติอันนั้นหลงสำคัญว่าเป็นของจริงของจังเด้นรนแสวงหากัน บางคนก็เพ่งเล็งไปไม่มีสิ้นสุดความพอไม่มีเลยอันนี้ท่านเรียกว่าหลงสมมุติของโลกเป็นเหตุให้ได้ทำบาปถ้าเป็นนักบวชกว็ร่วงวินในร่วงทำร่วงวินใน อย่างร้ายแรงถ้าเป็นคารือหัดก็ะร่วงกฎหมายบ้านเมืองร่วงศีลธรรมของครือหัดนีกว่าไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่หลงสมมุติเนี่ยผู้มีความโลภจัด เช่นนั้นจะจัดว่าเป็นชาวพุทธได้อย่างไรลองคิดดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้บเนีเมื่อผู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรง ผมมุดชื่อให้ว่าพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนหรือพุทธสาวกอย่างนี้นะเอาพุทธนำหน้าพุทธาก็แปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดก็หมายถึงรู้คำสอนของพระเจ้านั่นเองเนะี รู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงไม่หมายเอาความรู้อย่างอื่นความรู้อย่างอื่นนั้นมันไม่แน่นอนไม่เป็นทางพน้นทุกเหมือนอย่างแต่ครั้งพุทธเจ้านะั่นเมื่อพระองค์ยังไม่อุบัติบังเกิดมาในโลกหมู่มนุษย์ก็เที่ยวสเสวงหาทาง พ้นจากทุกไปผู้ใดเห็นอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นโดยมากทำตามพรือสีที่ท่านเข้าฌานแล้วท่านเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก่อนนว่าเป็ดก็เข้าใจว่าเป็นทางแห่งความสุขความเจริญที่นีนนำมาสั่งสอน ขุดสั่งสอนคนทั้งหลายเช่นอย่างสอนให้ทำพิธีบูชายันบูชาท้ามหาพรมตายแล้วก็จะได้ไปเกิดอยู่กับพรมกับท่ามหาพรมคนทั้งหลายก็เชื่อจึงได้สร้างลงบูชายันขึ้นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไว้แล้วก็ ฆ่าแพ้ฆ่าแกะบูชาท้าหมาพรมความมุ่งหมายก็เพื่ออยากจะมีความสุขว่าเมื่อได้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วจะมีความสุขความเห็นผิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างนี้แหละก็เป็นการไปฆ่าสัตว์ชีวิตแล้วอย่างนี้นะจะไปทำบาปแล้วอะไรล่ะทีได้ไปเกิดในพรหมโลกได้นะ มีแต่บายหน้าไปสู่นรกอบายภูมินั่นเองเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงว่าผู้ไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ายคพ้นทุกข์ไปไม่ได้ไปรู้แจ้งในคำสอนของลทัทธิอื่นไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้เพราะมันลทัทธิอื่นโวยมากสอนให้เบียดเบียนกันนี่นัน ตอนไห้ถือกกถือเหล่าถือพักถือพวกถ้าใครไม่มาเข้าพวกของตนก็ถือว่าเป็นศัตรูต่อคณะของตนหาหนทางกาจัดมันข่มคูให้มันกลัวแล้วให้ให้มาเท่ากับลัทธิของตนอย่างนั้นน่ะมันเรื่องเบียดเบียนกันโดยตรงเลยทีเดียว สำหรับพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นนี้พิจารณาดูสิจึงว่าเป็นราบอันประเสริฐแล้วนะพวกเราที่ได้มามีความเชื่อความเลื่อมใสมานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดา ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแต่ว่าถึงอย่างไรก็ต้องยอมรับกรรมคือการกระทำนันถึงจะไม่ใช่ของเราขเขาตามร่างกายสังขารอันนี้นะแต่เมื่อไปทำดีแล้วมันก็ เป็นบุญกุศลไปถ้าทำชั่วมันก็เป็นบาปอากุศลไปอือสำหรับบุคคลผู้ยังไม่รู้แจ้งในสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นความเห็นใที่ว่าไม่มีเขาไม่มีเรานี่ถ้าหาก็ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุผลยิ่งจังแล้วมันก็อาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้ อา้าวกระเมื่อไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแล้วอย่างนี้ทําบุญมันก็จะได้บุญมาจากไหนทําบาปจะได้บาปมาจากไหนก็ไม่ใช่ของเราเนี่เพราะฉะนั้นใครอยากทําอะไรก็ทําไปนะสิมันคงไม่เป็นบาปเป็นบุญอะไรมันก็ใกล้ต่อคําว่าตายแล้วศูนนั่นแหละเบ็เงั้นเพราะฉะนั้น ธรรมะตอนนี้แหละสำคัญมากทุกคนต้องรู้ไว้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขานั่นนะเมื่อความว่าการที่บุคคลมาละความชั่วทำความดีมาโดยลำดับแล้ว จนว่าถึงขั้นสมาธิภาวนาทำใจสงบระ ง, งับลงเป็นหนึ่งลงไปแล้ววันนี้เมื่อใจนั้นสงบเป็นหนึ่งอยู่ภายในไม่ไปไม่ส่งใจไปนในอดีตอนาคตแล้วก็เพ่งดูร่างกายนี้อยู่ภายในนี่แล้วก็มาถามตัวเองว่าตรงไหนที่เป็นของเราเนี่ย ผมหรือขนหรือเล็บหรือหนังหรือฟันหรือไม่ใช่ทั้งนั้นถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้สิไม่ให้มันแตกมันทำลายมันก็จะไม่แตกไม่ทำลายทีนี้ถึงไม่ใช่ของเราก็จริงอยู่หรอ แต่ว่าถ้าหากว่าจิตของบุคคลยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอุปาทานแล้วเช่นนี้น่ะใช้กายวาจานี่ทําดีทําชั่วไปก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วไปอยู่กรรมดีกรรมชั่วนั้นยังตามสนองให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามกรรมที่ทํานั้นๆอ้ น, นที่บุคคล จะเป็นผู้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหรือพ้นจากบาปจากบุญ <c oughs> อันนี้ไปได้นั่นน่ะต่อมาได้มาเจริญวิปัสสนาเพ่งพิจารณานามรูปอันนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงดังกล่าวมานั่นและ้วปล่อยวางไม่ถือมั่นอะไรอะไรทั้งหมด เลยอย่างนี้นะหัดปรงหัดวางนี่เรื่อยไปเมื่ออริยมรรคมันแก่กล้าขึ้นไปเต็มที่แล้วมันก็สามารถที่จะให้ละอุปาทานความยึดมั่นนี้ได้โดยเด็ดขาดไปเลยเมื่อละอุปาทานได้หมดแล้วก็มกรคผลละทั้งบุญละทั้งบาปไว้หมดเลยเป็นยงั้น บุลก็ไม่ยึดถือเอาบาก็ไม่ยึดถือเอาเลยแม้แต่ขันห้านี้ก็ไม่ยึดถือแล้วจะไปยึดถืออะไรเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ยบุญบาปเมื่อเมื่อจิตใจไม่ไม่ถือมันแล้วมันก็ดับไปนะไม่ใช่มีรูปร่างอะไรอะ่ะไอ้บุญนั่นเมื่อเรายังบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจอยู่ บุญมันก็ทำหน้าที่กำจัดกิเลสออกจากกิตใจนี้ไปเหมือนยามันกำจัดโรคในกายของคนออกไปแต่นั้นพอโรคมันหายยาก็หมดไปตามกันใ ห, ให้สังเกตดูยากับโรคก็แล้วกันนะนนหลืออะไรมันเนี่ยหลือความสบาย ร่างกายเมื่อไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็สบายดีใจนี่ก็เหมือนกันนะหมายความว่าเราจะเอาวิชาอาคมอย่างอื่นมาเศกมาเป่าไล่ขับไล่กิเลสราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเหล่านี้ให้ออกไปจากกิจใจนี่มันไม่ได้มันมันมันชระไม่ได้จริงๆนะ ถ้ามันชำระได้มันจะลาบากอะไรเล่าเรียนคาถาอาคมต่างๆได้มันก็เสกเป่าเข้าไปกิเลสต้งกงหมดไปหมดไปมันก็ง่ายดายเนยอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้เลยบุคคนจะไปเสกเป่าอย่างไรอย่างไรหรือจะใช้อำนาจเงินโบ อ, อานาจอย่างอื่นใดมากำจัดกิเลส นักกล่าวมานั้นให้ออกไปจากกิจใจนี่ไม่ได้เลยดังนั้นจึงมีตั้งแต่ธรรมะคำสอนของพระเจ้าเท่านี้แหละจะเป็นเครื่องกาจัดอย่างการให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องกาจัดความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวออกไปจากกิจใจถ้าผูใ้ใดไม่ยินดีในการบริจาคทานมันก็มีแต่ความหวงนั่นแหละ หาสมบัติอะไรได้มาก็ห่วงว่าแต่ของเราของเราอยู่นั่นเนี่ยเม้แต่ตนเองจะใช้จะจ่ายก็ยังเขียมเต็มที่ไม่อยากใช้จ่ายเลยใจยกระจ่ายน้อยเมื่อความห่วงมันมากขึ้นในจิตใจแล้วนี่เมื่อตายลงไปแล้วไม่เห็นอะไรติดตัวไปได้นั่นเนือเตหห่วงเรื้อเตหห่วง เหตุนั่นตายแล้วจิตวิญญาณจึงไปที่ไหนไม่ได้ผูกพันอยู่แต่กับสิ่งของเงินทองที่ตนห่วงตนห่วงนั่นแหละนี่นะความโลภมันเป็นอย่างนี้มันทำให้จิตใจหนีจากโลกอ น, นี้ไม่ได้เลยวนเวียนอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทรงบัญญัติสิกขาบทไนวะ้ให้พุทธบริษัทสมทาน มันให้ตลอดไปอย่างนี้นะเพื่ออะไรก็เพื่อสกัดกั้นความโกรธนี่พะเมื่อมันเลี้ยงหล่อเลี้ยงความโกรธไว้อย่างนี้มันก็ทำให้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้นี่ถ้ามันไม่โกรธก่อนมันไม่เบียดเบียนกันดอกมนุษย์เราเป็นไง แม้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทําอาหารรับประทานก็เหมือนกันนะถ้าว่าจิตนี้มันมีเมตตากรุณาเปี่ยมอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถไปจับสัตว์มาฆ่าต้มแกงกินเลยนะไม่สามารถจะทําได้ก็อเอ็นดูสงสารมันมันกับเราก็ชีวิตเดียวกันรักชีวิตเหมือนกันเราก็รักชีวิตของเรา เมื่อเอาเขากับเรามาเทียบเข้าใส่กันแล้วผู้นั้นนะทำไม่ลงแล้ว น, นี้เบียดเบียนสัตว์ไม่ลงแล้วแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆมันก็รักชีวิตมันมันก็เที่ยวหากินอาหารเอาไปหล่อเลี้ยงชีวิตมันไว้ถ้ามันไม่รักชีวิตมันมันก็ไม่ต้องไปหากินอะไรปล่อยมันแตกมันทำลายตายไปเฉยๆนี่แหละ ก็ต้องพีรนาให้มันละเอียดถี่ทั่วลงไปบางคนก็ว่าในสัตว์บางพวกนั้นมันดูดเลือดมันกินเลือดกินเนื้อคนอนะเอามันไว้ทําไมอ่ะมันมาเบียดเบียนตนนี่บอกว่าอย่างงี้ถ้ามันไม่มาทําอะไรเราเราก็ไม่ทํามันแต่และหวนไม่หวนึกดูว่างเนะนี่ยอันสัตว์ทั้งหลาย สัตย์รัชานะ่ะมันมันได้มาเบียดเบียนคนอย่างปลาปูหอยกุ้งนกบินไปในอากาศต่างๆพวกนี้นะมันได้เบียดเบียนคนที่ไหนล่ะมีแต่คนไม่เฉลือไปเบียดเบียนมันนะไปทําร้ายมันนะจะเอาเนื้อ ม, มากินท่าเดียวมัไม่คิดดูบ้างนี่ เพียงแตอยู่งทัวหนึ่งมาดู ด, ด, ดเลือดนิดเดียวทันทนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่ยอมให้อภัยมันเลยนี่คนเราเนี่ยเป็นอย่างเงี่ยกิเลส ข, ของคนเรานะ่ะมันมักเอาเปรียบผู้อื่นและตัดอื่นอย่างว่าไม่นึกดูวยความชั่วของตัวเองซึ่งมีต่อตัดอื่นนั้นนะ่ะไม่เลยไม่นึกถึงแล้วว่าแต่เราดีอยู่ร่าไปทีเดียว ที่แท้ตัวนั้นสิเป็นเพศข า, าตใหญ่โตนะบางคนเป็นเพศข า, าตจนตลอดเท่าแก่ไปก็มีไม่รู้สึกตัวเลยยังยินดีในการฆ่าการเบียดเบียนอยู่แม่อายุมากไปไในก็ตามนะมีอโยชนจริงๆเป็นอย่างนั้นแหละไม่รู้สึกตัวนี้บางคนก็ตื่นตัว พอถึงวัยชลาเข้ามาแล้วก็รู้สึกตัวอธิษฐานใจละเว้นจากการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็หน้าอนุโมทนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามามืดแล้วไปสว่างใช้ได้พอระหูกรรมกรรมเบานี่บุคคลสามารถละได้ถ้ามาบำเพ็ญจิตตภาวนาเข้าไปให้สูงขึ้น ยกจิตให้สูงขึ้นด้วยเมตตาการุณาสูงขึ้นด้วยสติด้วยปัญญาจเจริญไตรลักษ์เสมอเสมอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลบสมมติบัญญัติทั้งหลายออกไปจา ก, กจิตใจเรื่อยเรื่อนี่เท่ากับว่าถอนบาปที่ตนได้ลุ่มหลงทรมาแล้วหมดนั้นออกจา ก, กจิตใจไปเรื่อยเรื่อย ให้เข้าใจนี่แหละถ้าหูกรรมกรรมเบาเนี่ยเมื่อผูดด้ใดรู้ตัวแล้วรู้ว่าตนได้ทำบาปปรารถนาจะไม่ให้บาปนั้นติดตามสนองก็ต้องภาวนาแนละอบรมจิตให้สูงขึ้นอย่างที่ว่านั้นนะจะเริญไตรลักษณญาณให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเสมอสมมติลบปัญญัติ ออกไปจากดวงจิตนีให้เหลือแต่ทำรวนร้ว น, วนอย่างนี้แล้วบาป ก, กรรมมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้านี้ถึงมันเกิดขึ้นแต่ก่อนมามันก็ถอนตัวออกก็จิตไม่รับเอาแล้วจิตละปล่อยวางไปหมดแล้วถ้าบุคคลไม่ได้มาเจริญไตรลักษณ์นี่มันจะเห็นทุกสิงทุกอย่างว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา อยู่อย่างนี้นี่มันก็ยึดถือแลวดีก็ยึดเอาไว้ชั่วกว็ยึดเอาไว้แหละ ม, มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวกรรมนำสนองให้แกบุคคลถ้าเป็นบาปกรรมอย่างนี้ก็นำสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นที่กล่าวไว้ว่าไปตกนรกอบายภูมินั่นเอ ไม่ใช่ว่าคนเราแนม่ทำบาปมากมายแล้วอย่างนี้ตายแล้วจิตวิญญาณก็วนเวียนอยู่ในโลกอันนี้ไม่ไปที่ไหนเลยไอ้อย่างนี้นะมันเข้าใจผิดไปอไอ้ที่มันวนเวียนอยู่เนี่ยมันเกี่ยวว่าเกี่ยวกับว่าบุคคลผูนั้นไม่ได้ทำบาปหนักไปแล้วจิตปล่อยให้จิตใจเกาะค้องอยู่ ในวัตถุที่ตนพออกพอใจก่อนตายโน่นนะพอจวนจะตายก็ยังจิตไปผูกพันอยู่อย่างนี้นะน ต, ตายลงแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนห่วงตนอะไรนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นไอ้สำหรับผู้ที่ทำบาปหนักแล้วอย่างนี้นะมันจะวนเยียนอยู่นี่ไม่ได้เลย มาปักรรมอะรมันก็นำไปสู่นะรกภวายภูมินุน่นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละทุกคนนะ่ะให้ภาวนากันอย่าไปอ้างโนนอ้าง น, อ น, อางนี้เป็นครืหัดก็ภาวนาได้เป็นนักบวชก็ภาวนาดีเพราะว่าภาวนานี่ พวกโกงๆก็เดียวว่าเป็นอุบายสำหรับภาคเปียมพยายามชำระกิเลสบาปธรรม อ, อกกจากจิตใจโดยตรงเลยแต่อย่างนั้นไม่ไม่ใช่โดยอ้อมแหละโดยตรงทีเดียวเพียงแค่ให้ทานรักษาสินนั้นยังเป็นการละกิเลสโดยทางอ้อมโยยังไม่เข้าถึงจิตใจแน่แท้ ตอนภาวนาเนี่ยเราเอาสติตระลึกอย่างเข้าไปหาดวงจิตนุ่นบะนี้ไปควบคุมจิตนุ่นที่มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านในีมันเข้าถึงความส ง, งบนี่เหตุที่จิตจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็เพราะกิเลสสะสมกิเลสไว้ในใจมากมาย เพื่อนชื่อว่ากิเลสแล้วมันเป็นมันมีลักษณะอาการทำให้จิตใจเศร้าหมองกุนมัวพุ่งซ่านเลื่อนลอยกิเลสก็ไม่มีรูปร่างเช่นเดียวกันนั่นเนี่ยเป็นธรรมารมเกิดขึ้นในดวงจิตนี้เมื่อจิตไม่รู้เท่าจิตไม่ละมันยึดถืออามันไว้มันก็แสดงลิ์เดออกไป ตามลักษณะอาการของกิเลสนั่นๆเอ้าถ้าความถ้ามันกิเลสเกี่ยวกับราคะอย่างนี้นะมันก็เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสต่างๆอันเป็นที่น่ารักใครพอใจนี่ลักษณะแองราคะคือความกำหนัดยินดี ยินดีอยากส่้งเสร็จะด้วยไม่เฉพาะแต่ยินดีแต่ในใจเฉยนะยังอยากจะใช้กายไปชมเชยไปจูกไปโกดไปส่้งเสรให้สมดังความกำหนัดยินดีระบายความใครออกไปนี่พูดกันอย่างตรตงตรงลักษณะ ของราคะตัณหาเป็นอย่างนั้นดังนั้นมนุษย์เรามันถึงได้สร้างบ้านสร้างเรือนจิงได้ผูกพันอยู่กับวัตถุสมบัติต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ลำบากในการแสวงหาสมบัติต่างๆมาบำรุงตนและครอบครัว อืแสนยากแสนลําบากจริงๆบางลายก็อย่างว่านั่นเนี่ยเป็นโลคจัดแล้วก็ไปเบียดเบียนเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเจ้าของสมบัติเขาก็อาฆาตเมื่อเขได้โอกาสเขาก็ทําลายชีวิตของผู้นั้นให้ย่อยยับลงไปอย่างนี้มีอยู่ทมไปเพราะความโลคนี่แจะเป็นมูลเหตุนะถ้าหากว่า ตนหาสแสวงหาเลี่ยงชีปนะหาโดยทางสุจริตจะให้ผิดกฎหมายบันเมืองอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นให้ได้สมบัติมาเราสแสวงหาโดยไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นสแสวงหาโดยสติปัญญานี่แหละเมื่อได้สมบัติเข้าของเงินทองอะไรมามันก็ไม่มีใครอิจฉาเบียดเบียนเพราะว่าตนไม่ได้ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่น อย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ใช้จ่ายเงินทองนั้นให้มีความสุขไปอยู่บ้างแต่ผลสุดท้ายมันก็มีความทุกข์นั่นแหละไปมเมื่อเวลาความตายมาตัดรอนมันก็ไม่อยากพัดภาคจากสมบัติเขาของเงินทองจากของรักของชอบใจต่างๆโมนี่นะมันก็ทุกข์ใจนะอืม เดืดร้อนใจเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันนี่ลักษณะแห่งราคะตัณหามันก็เป็นอย่างนี้แหละลักษณะความโกรธมันก็ทาให้ผูกใจเจ็บกับบุคคลอื่นไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดผูกใจเจ็บที่จะแก้แค้นมันอยู่อย่างนั้นแหละ นี่ลักษณะแห่งความพยาบาททีแรกก็โกรธไม่พอใจเฉยนี่แหละคันเมื่อไม่ลกความโกรธ น, น, นานๆเข้าก็กลายเป็นพยาบาทคิดแก่แค้นเลยมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะแห่งความโกรธความพยาบาทแต่ถ้าโกรธขึ้นมาแล้วผู้เรียนรู้ตัวแล้วรีบกำหนดใจละมันเสียมันรังงับไปมันก็มันก็ ไม่กลายเป็นพยาบาทนะเนี่ยมันไม่เป็นพยาบาทแล้วมันก็ไม่มีกรรมมีเวรไรผูกพันกับคนผู้นั้นไปเพราะว่าอาโหสิกรรมให้กันไปแล้วให้อภัยไปแล้วนี่ลักษณะแห่งความโกรธความพยาบาทลักษณะแห่งความละความโกรธความพยาบาท ต, ต่างๆนะมันกลงกันข้ามอย่างนี้เลยความให้อภัยกันนี่นะนั่นเป็นการชำระเวรกรรมทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากดวงขิดนี้ความไม่หให้อภัยแก่กันผู้กโกรธผู้พยาบา่ไว้นั่นเป็นกรรมเป็นเวรติดถอยห้อยตามสนองไปทั้งในโลกนี้โลกหน้า ต่อเมื่อยังไม่ไม่ยอมให้อภัยต่อกันเมื่อใดเวียนนั้นมันก็ต้องไม่ระงับข้อการจองเวีนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งได้โอกาสไปทำลายอีกฝ่ายหนึ่งไว้ฝ่า ย, ยที่ถูกทำลายก็ผูกใจเก็บไว้ฮะชาตินี้มึงทำผูกชาติต่อไปขอให้คูเด็กทำมึงได้เบียดเบียนมึง มันก็ผูกใจเก็บไว้อย่างนี้ก่อนตายกรรมนั่นมันก็เอาเลย ว, วนเวียนไปให้เจอกันเข้าสังหารซึ่งกันและกันไปอีกผูกพันกันอยู่อย่างนี้นะเรื่องของโทษสาภยาบาทเพราะฉะนั้นคนวรพิจารณาให้มันเห็นโทษบางคนก็ว่าโกรธนิดหน่อยคงไม่เป็นไรดอกอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น ทีแรกมันก็กิเลสมันก็มีหน่อยหนึ่งนั่นเนี่ยแต่เมื่อไม่ลากมันนะยึดถือมันไว้มันได้เชื่อต่อไปมันก็มากขึ้นมันก็มีกําลังกล้าขึ้นเหมือนอย่างไฟมันได้เชื่อมากเท่าไหร่มันก็ลุกโงงก็ได้มากเท่านั้นนลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยความโกรดนี่ทีแรกก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าตนไม่สํารวมจิตใจของตนน่ะ เมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดจากคนอื่นกระทบกระทั่งเข้ามาบางทีก็ทําให้ความโกรธมันมีกําลังกล้าขึ้นนั่นแถ้าถูกกระทบบ่อยๆเข้าไปมันก็ยิ่งกลายเป็นพยาบาทไปอย่างที่ว่ามานั่น น, ะนี่แหละฤทธเดชแห่งความโกรธของพยาบาทมันทําให้ของเราเป็นทุกข์วนเวียน เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ในโลกสงสารนนียควรพากันเห็นโทษเมื่อเห็นโทษแล้วอย่างนี้แม้แต่งูงิดในใจก็อยากให้มันมีแต่ถ้ามันมีก็รู้ตัวทันทีพราอมันประสบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจอะไรมามันเกิดกูงิดขึ้นมาก็รู้ตัวนี่แหละเชื่อสายแห่งความโกรธรีบกำหนดใจละทันทีเลย อย่าทานั้มันก่อตัวขึ้นมากมากออมเช่นนี้แล้วความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงความมยาบาทก็หายไปแล้วก็จเจริญเมตตากรุณาให้มั่งมากเข้าไปคนมายึดถือเอามันไว้นี่ไม่ยอมละมันถ้าหากว่าเราภาวนา ทำละความรักความชังทั้งหลายให้ระงับไปจากจิตใจอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะเราเพ่งเข้าไปกําหนดละมันไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันรวมลงไปเป็นหนึ่งลงไป้แลวมันก็กิเลสเหล่านะั้นมันก็ไปแทรกซึมอยู่ในจิตใจนะั่นไม่ได้เลย มันก็ถอนตัวออกไปนีดังนั้นแหละบุคคลจะละกิเลสได้ต้องภาวนาต้องทาใจสงบถ้าใจไม่สงบล ะ, ละกิเลสไม่ได้ถ้าเพียงแต่ทาใจสงบเท่านั้นละก็ละไปได้ชั่วคราวนี่มันเป็นขั้นตอนอย่างนี้แต่ถ้าจะถอนเรื่อง รากของกิเลสออกจริงๆมันก็ต้องเจริญปัญญาวิปัสสนามันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็ค้นคว้าสิเพ่งพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ทำไมหนอมันจึงมาผูกพันร่างกายสังขาร น, นามรูปอันนี้หนักหนามันมีดีอย่างไรมันวิเศษอย่างไร อย่างนี้นะเราก็ค้นดูค้นคว้าหาเหตุปัจจัยมันเมื่อรู้เหตุปัจจัยตามเป็นจริงแล้วจะจะไม่ยินดีถือมัน่นรักใครพอใจในนามในรูปนี้เลยอืมเหตุปัจจัยคืออะไรถ้าจะว่าไปแล้วมันก็มีมากเลยนะอวิชชาตันหากรรมอาหารบุญและบาปพวกนี้นะ ้วนจะเป็นปัจจัยให้นำดวงจิตนี้ให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปมันมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเราต้องรู้เหตุปัจจัยที่นำจิตใจอันนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั่นมันก็เป็นของไม่เที่ยงบุญและบาปอวิชชาตันหาอะไรก็ตามเนี่ย มันก็เป็นสังขารคือจิตนี่แหละปรุงแต่งขึ้นมันถึงมีได้ดังนั้นเมื่อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นและสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปก็กิเลสความรักความชังและจิตเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อจิตไม่ยึดถือมันแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้นะมันจะตั้งอยู่มั่นยั่งยืนอยู่ไปไม่ได้เลย ก็ต้องสังเกตดูอย่างนี้เมื่อเราเพ่งพินิษดูด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยที่มาแต่งชีวิตร่างกายนี้ให้เกิดมาไม่เที่ยงแล้วร่างกายสังขาร น, นี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนมันก็ไม่เที่ยงเบงั้นก็ต้องพิจารณาให้มันถึงเหตุปัจจัยถึงความจริง ของชีวิตอย่างนี้แหละเนียวเราจะได้ปรงได้วางมันจะไม่ถือมั่นเอาไว้เลยเพราะขืนถือมันมันได้ก็เป็นทุกข์เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ดีไม่ดีไปคบคนชั่วเป็นมิตรเขาชักชวนทากรรมอันชั่วหนักเข้าไปแล้วตายแล้วไปไห่ในนรกเอาไปยับูมทุ่น ทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานนี่นเนี่ยไอ้ความที่ไม่ภาวนานะเกิดมาชาติได้ก็ไม่ภาวนาไม่ฝึกจิตนี่ให้เข้าถึงความสงบมันจึงได้หลงทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้าง น้องให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้ถ้าหากว่าไม่ละเสียมือใดแล้วไอ้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็มาเป็นปัจจัยบันดาลให้ไปทำกรรมดีกรรมชั่วสืบต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นทางที่ดีแท้แท้แล้ว ให้เว้นกรรมชั่วเสียทำแต่กรรมที่ดีๆให้แก่ตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้นะนี่มันมันก็เป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้แต่อย่างนั้นถ้ากรรมดีก็ทำกรรมชั่วกระทำอยู่อย่างนี้พ้นทุกข์ไม่ได้เลยอมันจะหมุนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้าไปสิ่งใดมันไม่ดีไม่งามมีอยู่ในจิตใจละมันออกไปให้หมดในอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัตาสงสารนี้ได้จริงๆดังแสดงมา